ต้องเป๊กปัจจุบันอายุ20ปีนะฮะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของเขาอยู่มาก่อนนะครับอยวมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับเป๊กสวัสดีครับเป๊กตอนนี้โทรศัพท์แอคที่ไหนครับเอ่อพระนครศรีอยุธยาครับอยู่ที่อยุธยาฟังหรืช็อกผ่านทางไหนครับเนี่ยเอ่อไลฟ์สดทางยู u ูบครับยูทูบนะฮะชัดเจนไหมชัดเจนดีครับฟังทุกวันไหมครับ ทุวันก่อนนอนเราไม่เปิดนอนไม่หลับค่ะดีมากเยี่ยมเลยนะฮะเป๊กมาว่าถึงเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านหลังนี้ใน<ม>เป็นบ้านของใครครับเ อ, อไม่ขอเอ่ยได้ไหมพี่แต่เขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะครับอ่าโอเคก็ได้ครับไม่เป็นไรฮะถ้าบอกเจ้าของโรงพยาบาลถ้าที่โรงพยาบาลที่โคราชน่าจะมีหลายโรงพยาบาลอยู่แหละนะฮะ<อ>มามว่าถึงเรื่องนี้ครับเป็นยังไงฮะคือขอบพูดก่อนนะครับผมเป็นช่างทำทรงไทยนะฮะอืม คือผมได้ไปทํางานที่จังหวัดโพราชครับคือผมไปในช่วงของงานเก็บแล้วครับอือหึแล้วทีนี้มันไม่มีห้องพักให้ผมผมเลยได้ไปนอนที่ว่ามันเป็นบ้านเลีะครับพี่อือคือมันเป็นรูปหล้าของเลียแต่มีบ้านอยู่คือเป็นห้องแล้วทีเนี้ยคนที่เคยอยู่มาก่อนผมเขาก็บอกว่าไปนอนห้องเนี้ยระวังนะครับอือหึคือแบบว่าเขาบอกว่ามีเสาตกน้ำมันอีกต้นหนึ่ง แต่ผมอะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกลัวกัเท่าไหร่ถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่ผมคิดว่ามีคนตามผมอยู่ผเป็นเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ออืเพราะผมต้เดินทางบ่อยผมก็ไหว้พระก่อนนอนทุกครั้งที่ผมจะไปต่างสถ า, านที่ครับ <Yeah. S 2> เจอแรกเจอเลยฮะออืคือในฝันนะครับคืนในฝันมันเหมือนตึ้งหลับตึงต้งตื่นนะครับพี่แล้วทีนี้มีผู้หญิงคนนึ่งอะ เหมือนเขาจะออกมาจากเสาอืมแล้วคือในฝันผมนะฮะยู่ดีอ่ะผมไปนอนบนปากเขาอะพี่ในฝันนะอ๋อใช่ครับครับเขาผมนอนอยู่บนปากเขาแล้วเขาเอามือลูบหัวผมแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ได้ทําอะไรครับแล้วก็เป็นลักษณะเนี้ยตั้งแต่คืนแรกนะครับพี่จนช่วยง่ายเลยคือ ทั้งเดือนอ่ะผมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือ ก, กว่าผมเจอทั้งเดือนอืคือผมเจอออกผมก็ไม่ได้คิดอะไรละเขาเขาเขามาดีแล้วครับบอกผมแบนี้แร้วทีนี้ครับพี่ผมก็ไปนั่งเล่นอยู่ตรงประมาณหัวเรือคือหน้าห้องผ ม, มนะผมไปนั่งเล่นกีตาร์มันจะมีบ้านมันเป็นในบริเวณนั้นอ่ะที่ผมไปทําสงไทยนะครับเคยจะมีบ้านหลังสรงไทยที่ผมทําอยู่แล้วก็จะมีบ้านอีกสามหลังอืม สี่หลังคือรวมบ้านต้นไม้ด้วยครับตรงที่ผมอยู่อ่ะมันจะมีบ่อปากคาบแล้วจะมีบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดคืออยู่ซ้ายมือผมปรากฏว่าบ้านี้ผมนั่งอยู่นัานประมาณผมอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วออืคือบ้านหลังนั้นอ่ะผมรับประกันได้ว่าไม่มีใครขึ้นไปได้และเจ้าของบ้านก็ยังไม่กลับมาเจะาของบ้านจะมาประมาณสักสองอาทิตย์ครับ คือมผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพี่เขาใส่ชุดขาวแล้วผมเดินไปเดินมาภายในบ้านนะ่แหลมคือเขาบอกก่อนคือบ้านหลังเนี้ยคือจะเป็นกระชั้นบนชั้นสองน ะ, ะจะเป็นกระจกทั้งหมดเลยครับ mm hmm. แต่เป็นบ้านเกลืงสงไทยครับ <Yeah. S 2> ือเป็นสงไทยประยุกต์อะครับ mm hmm. แลมวทีที้เขาก็เดินไปเดินมาตอนแรกผมในใจสงสัเจ้าของบ้านหรือลูกสาวเจ้าของบ้าน mm hmm. ผมไม่มองไปที่ขาครับพี่ mm hmm. ปรากฏว่าไม่เจอขาครับ อ, อ๋อเป็นผู้หญิงรอยอยู่บนบ้านนะั่นนะ่ะนะใช่ครับออแล้วก็ลอไปเดิมาตอนแรกผมคิดว่าเดินนะครับพีบ่แต่พอมองไปที่ขาปรากฏว่าไม่เจอฮะออคือไม่เจอคือในความรู้สึกผมผมแบบว่าไม่ใช่ละอืมไม่ใช่คนแน่ครับผมเลยเดินกลับเป็นใจเดินกับเข้าหืองออผมไหว้พระและ้วก็นอนครับ และในฝันของคืนนั้นคืนเดียวกันนะครับพี่ผู้หญิงจะต่อตกน้ํามันต้นนั้นออืผมก็นอนอยู่ในลักษณะเดิมคือหัวอยู่บนปากเขาแล้วเขาก็มือลูกเบอกผมว่าไม่ต้องไปกลัวเขาไม่ไม่ยุ่งกับเราหรอกออไม่ต้องกลัวนะทํางานต่อไปตั้งใจทํางานครับเขาพูดแบบนี้เอผมกระใจเชื่อมเชื่อมมาบอกว่าอย่างน้อยๆก็มีคนปกป้องผมแหละผมก็ า ง, งานผมไปเรื่อยไปเรื่อยจนถึงกําหนดที่ผมต้องกลับอืมฮปรากฏว่าคืนสุดท้ายใช่ไหมครับพี่ผมนอนนะครั บ, รบผมนอนปกติไว้พระก่อนนอนอะ่ะผมจะว่พาพระแล้วผมจะบอกว่าคืนนี้ไม่คือสุดท้ายของผมแล้วนะรุ่งเช้าผมต้องกลับแต่หอดยุตย า, ยาแล้วเพราะผมมีงานต่อครับในฝันนะครับพี่มาเลยครับ ออืเขานี้มาลักษณะแบบไหนฮะมันเดิมครับโอ้โหคือเขามาแบบเนี้ยพี่เชื่อไหมว่าหนึ่งเดือนเต็มอผมเจอทุกวันเขามาในลักษณะเดิมทุกวันที่คือไม่ต้องกลัวนะออืคือท้ายผีที่สุดกับพี่คือยังไงเขาทีเนี้ยเขาก็มาเหมือนลักษณะเดิมคือผมนอมันตักแล้วก็มือลูกของผมแล้วเขาก็แบบว่าอือป็นถ้ายแล้วเนาะก็ อ๋อโชคดีนะจะคอยตามดูแลตลอดครับบผมก็ยังข้องใจเุกวานนี้ว่าเขาว่าดูแลของเขาตลอดเนี่ยคือยังไงโอ๋อผมก็ไม่ได้คิดะไยเขาบอกว่าจะดูแลผมที่นี้ผมก็กลับมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนเดิมเพราะตอนนั้นการผมอยู่นี่ผมขับบิ๊กบัสนะครับแล้วที่นี้ผมประสานงานกับรถตู้ จริงๆก็ี่มันเป็นทางส่วนเลนนะฮะอืออ๋ออแล้วผมปสานงานกับรถตู้ครับคือทางรถตู้เขาบอกผมว่าในตอนที่พี่ชนเน่ะที่มีชคิดว่าน้องจะรอดอืมแต่ผมกลับรอดครับพี่หรอหรอคือยังไงครับ อ, อเดี๋ยวพอผูประสานงานกันนี่มันคือภาพในหัวพี่มันต้องเละมันต้องยังไงพังมากเลยคือมันมันรอดได้ยังไงครับไปคือ เอาเอาสภาพรถมาครับพี่คือแม็กแต่กระบอกโชุกงอไปแฮนด์ขาดอ่างน้ำมันเครื่องแตกคือสภาพนี้ฮะอืคือผมอะกระเด็นอัดไปใส่หน้ารถเขาเต็มที่เลยพี่แล้วเขาบอกว่าอยู่ดีอผมเหมือนเด้งลงไปที่พื้นเลยอะเหรอเหมือนเด้งลงไปที่พื้นแล้วอยู่ดีก็ยืนขึ้นได้เฉยอะครับแล้วทีเนี้ยคนแถวนั้นอะแถวแถวที่ผมชนนะครับอื เขามาถามผมคำถามหนึ่งแล้วเป็นคำถามที่ผมปึ้งมากที่เขาถามผมว่าน้องผู้หญิงที่มาด้วยไปไหนอืมแต่คือผมมาคนเดียวโอ้ยจริงเหรอคือมีคนเห็นว่าเรามาสองคนใช่ครับอ๋อคุณดช<ต>ีชมพูมากเลยอ่ะแต่ผมมาคนเดียวฮะซึ่งนะตอนนั้นเท่ากับว่าทำให้เป็ก คิดได้ว่าน่าจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่น่าจะอยู่ในเสาตกตะมันนั่นแหละมากับเรารแล้วก็ปกปักรักษาเราใช่ครับคือแต่อในความรู้สึกผมเนี่ยพี่คือผมไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ตามผมอยู่นะความรู้สึกนะตอนนั้นหรือณตอนนี้ด้วยตอนนี้ครับอ๋อไม่ได้คิดว่ามีแค่เขาคนนั้นตามเราอยู่แล้วอะไรทําให้ เป๊กคิดว่ามีมากกว่าหนึ่งแะครับที่ตามเราอยู่คือตั้งแตเลกจนโตนะพี่นะมผมลดความ17รอบอมผมชน4รอบอพี่เชื่อไหมผมมีรอยบาดแผลที่เป็นรอยแผลเป็นจริงๆแค่4ดในร่างกายเดชบุญ ja ฮะพูดตรงๆแล้วก่อนที่จะมีว่าผมลดชนทางล่างส่วนเกินบิ๊ใช่ไหมครับเมื่อก่อนขัารธรรมดาผมคว่ำผมชนเลยเนี่ยจะมีคาถามหนึ่ง แต่ไม่ใช่ผู้หญิงพี่เป็นใครผมเขาถามผมเลยว่าน้องคนแก่ไปไหนอืมหรอฮะผมก็เลยถามด้วยว่าพี่ครับแล้วคนแก่ลักษณะเป็นยังไงเขาบอกผมว่าเป็นมุชาร์ตองสูงกว่าน้องหน่อยนึงอืมผมงอกตัดผมลองทรงครับอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมเป็นคนตาผมแน่นอนเพราะคนตาผมห่วงผมมากเพราะผมเป็นหลานชายคนเดียวอืมอืม เขาเสียไปแล้วออืมอืมผมก็เลยมั่นใจว่าเขาน่าจะคอยดูแลผมอยู่ครับในตอนที่ผมชนครั้งล่าสุดของวิบบิ้นเนีอืพผมก็คิดว่าคงจะต้องเป็นคุณป้าผมแนม่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นผู้หญิงออืมเป็นครับอ่าก็ ค, คิดว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็คงตามอย่างที่เป๊กว่านแหละน่าจะเป็นวิญญาณของ วุ้หญิงคนนั้นที่อยู่ที่บ้านเลื่อนทยหลังนั้นแหละที่ตามเรามาผมคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะ<ม>ว่าภายหลังจากที่ผมอ<ม>ืกลับมาจากจากโคราชใช่ไหมครับที<ม>นี้ผมต้องเดินทางไปอีกที่หนึง<ม>่งสามารถเล่าต่อได้เลยไหครับเดี๋ยวพี่ถามหน่อยฮะรายเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมก็มีช้าแรงนิดหน่อยครับพี่แต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล<อ>คือม<อ>ีอแต่แค่จุดเดียวคือตรงหัว ตรหน้าแข้งข้างขวาครับพี่คือจะเป็นเหมือนรอยอะไรขีดกันอย่างอ่ะแต่มันลึกถึงกระดูกแต่ก็ผมไม่ได้เป็นไรสามารถเดินได้ปกติทุกอย่างครับพี่ออืืแต่รถสภาพเป็นเละมากโอ้โหเอาพุูนตรงนะเดชบุญมากจริงที่ไม่ตายอ่าแล้วยังไงต่อมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมครับเป็ก็คือจะเป็นเหตุการณ์เชื่อมแบบตรงนี้ที่ครับพีอยังไงฮะก็ผมต้องเดินทางไปที่ที่หนึ่งคือเป็นโรงพยาบาลนะครับจะขอให้เอ่เชอื่อ อันนี้คือมีพี่คนหนึ่งที่ผมไปจักเขาให้ผมไปช่วยทําสีครับแล้วที่เนี้ยผมก็ไปครับแล้วคือเขาลือกันมากคือที่ผมไปทําอ่ะออืห้ามทําโอทํำไมอะ่ะคือทำโอชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกได้แล้วก็ชั้นแปดชั้นเก้าสามารถทําได้ครับเจอชั้นเจ็ดทำไม่ได้ชั้นเจ็ดห้ามครับมีสาเหตุ เพราะอะไรไหมครับมีครับ <c oughs> คือเขาบอกว่าพขาอยู่ชั้นเจ็ดผมก็ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจผมก็ดือ้อผมเป็นคนที่ดื้อมากที่คือผมก็ไม่สนนะเขาบอกมาผมจะทํางานผ ม, มเกี่ยวเพราผมต้องรีบกลับอืผมก็ขึ้นไปทํำนะครับไปทำงานสามคนมีพี่ด้วยกันสามค น, มนมคนือวันนั้นนะ่ะผมจะต้องทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้ า, าพี่เที่ยงตีห้าของอีกวันหนึ่ง ที่งานมันเร่งอะครับมันต้องเร่งให้จบผมไม่นั่งทำกอยู่ที่ชั้นเจ็ดแต่ช่องเอามาแล้วน่าจะเป็นตีหนึ่งนะครับพี่มผมนั่งอาอทานข้าวกันอยู่แล้วทีเนี้ยแบบว่าคือมันจะเป็นหน้าต่างรอบชั้นเลยใช่ไหมครับพี่ครับคือก่อนเลิกงานตอนห้าโงเนี่ยผมจะไล่ปิดหน้าต่างทุกชั้นทุกห้องตลอดอ คือผมมั่นใจแล้วรัศมีว่าไม่สามารถมีหลมเข้ามาได้อย่างแน่นอนออืแล้วทีเนี้ยพี่ใช่ไหมประตูอะ่ะออื ม, มันปิดเปิดเองได้แืบปิดตั้มปิดตั้มปิดตั้มตลอดออืตอนแรกผมไม่ได้คิดแล้วที่มันหลมพับแต่พอที่นี้คุยกับพี่ก่อนหนึ่ที่เราปิดหน้าต่างชันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราปิดแล้วผมเลยถามอีกแล้วพี่แล้วประตูปิดยังไงออื พี่เขาก็ไม่เข้าใจอืมทีเนี้ยวันนั่งกินข้าวปผมไม่สนใจแล้วคือรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ครับด้วยความที่ว่าผมมั่นใจว่ามีคนดูแลผมอยู่อืมผมก็เลยพูด ท, ท้าขึ้นไปเลยครับพี่อืมว่าถ้าคุณคิดวดูคุณแน่จริงโอยติดแรงแรงอ๋อเหรอ อ, หรอ๋อแล้วมีปิดไหมครับโอโ้โหพี่เป็นกรับจริงเหรอคือยังไง ดังมากพี่บานเดียวหรือหลายบานบานเดียวครับตอนแรกบานเดียวก่อนอืมทีนี้ประตูมันเป็นแม่เหล็กคือถ้าปิดสนิทปุ๊บแม่เหล็กจะล็อกทันทีประตูเป็นประตูกระจกไม่ใช่กระจ ก, กับเป็นประตูไม้แต่มันเป็ น, นกลไกของแม่เหล็กแทนที่จะเป็นลูกบิดนะอืมนะพอปิดปื้มแบบสนิทปุ๊บแม่เหล็กจะล็อกทันทีครับอาทีนี้ผมก็พูดด้วยความวิตกก บ, บงวลไงพี่พูดขวัญผาซากผมก็เลยบอก นี่นไงบอกว่าแม่จริงะปิดแรงแต่แม่ก็ลอกทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยห้องศูนสองเนี่ยเปิดอยู่ปิดทีดีปิดเหมือนเดิมพี่ปิดปิดตู้มปิดตู้มปิดตู้มเหรอแล้วก็แล้วก็ปิดว่าสุดท้ายคือปิดแรงมากแบบดังมากครับปิดตั้มผมจะนั่งนั่งอยู่ประมาณห้องศูนห้าใช่ไหมครับออืผมก็ไล่มาศูนยสามศูนยามปิดด้วยนะศินย์สีิดด้วยนะโอ้โหโอ้โห ศู้าปิดด้วยนะผมนั่งโซนศูนย์ห้าพอดอีปิดต้มปิดต้มแล้วถึงห้องศูนห้าไดความม โ, โ, โหพี่แบบเราก็กินข้าวเราก็เหนื่อยงานเราทําทั้งวันแล้วอ่ะผมก็เลยบอกอ่ะในไหนก็ปิดละปิดทั้งชั้นเลยเลยกันสิบหกห้องเลยปิดให้หมดโอ้โหแล้วปิด<ช>จริงไหมทุกห้องพี่ไล่ไปเลยตั้งแต่ศูนย์หกศูนย์จดศนยแปดนเก้ายันศูนย์สิบหกอ่ะยันห้องสิบหกอ่ะเหรอ ถ่ายวิดีโอไวปไหมเอาเพื่อเริ่มต้นตีเดียวมันต้องมีแบบโอ้โหแบบนี้ไม่ถ่ายไว้ปาเป็กคือผมก็ไม่คิดนะว่าไปเจอแบบนี้จริงนะพี่เราไปเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ไม่คิดนี่สิบหกบานสิบหกห้องเลยนะครับคือแบบผมเพิ่งผมไม่คิดละว่าเขาจะทําจริงอ่ะอืออยอางอย่างนั้นเราคือชื่นใจแล้วว่ามีคนคุ้มครองเราไม่โดนแบบประมาณอย่างนี้ไงครับนะเขาไล่ปิดที่เนี้ย มันไม่จบสิพี่โอ้โหไม่จบนะไม่จบกับผมครับอ่าผมผมจะพักกันอีู่ชั้น<อ>แปดคือได้ให้คือว่าที่ผมทํำอบบมันเป็นหอพักนักศึกษาออืไปอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลครับผมนอนพักกันอีู่ชั้นแปดอือผมจะนอนพักอยู่คนเดียว ค, ค่ะเฮ้ยห้องค่าห้องมานะพี่มีพนักงานอยู่แปดคนอือมผมนอนอยู่ตรงข้างล่างอาจจะเป็นห้องติดปกผมก็จะนอนตรงห้องติดปกของชั้นแปดอืม พี่เชื่อนะผมนอนบนปีห้มผมไม่ได้นอนทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นคือเอาง่ายๆว่าทั้งตึกนะพี่จะ ม, มีผู้ผมแค่ชุดเดียวและทุกคนเข้าหนอนร้อมกันหมดทุกคนมไม่มีใครสามารถจะรบกวนผู้ผมได้คือเหมือนมีคนว่าเอาอะไรที่กระแทกฟาชั้นติชั้นเจ็ดตลอดเวลาคือเราอยู่ชั้นแปดนะใช่ครับก็คือ ก, ะกระทุ้งขึ้นมาหาเราข้างบน ใช่กรทุนขึ้นมาผมข้างบนตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งผมก็เลยพูดแบบว่าอะรู้แล้วว่าคุณอยู่คุณมากรัวผมได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมทำบุญไปให้ถ้ายังไม่หยุดผมแช่งนะเงียบครับแล้วทีนี้พอเช้ารุ่งขึ้นมาพี่สาวผมมาหา พี่สาวของคนที่อยู่เย็นๆคือเขาะนอนพัดค้ากับผมด้วยออือพี่สาวผมเป็นลมอยู่ดีๆเป็นลมที่ชั้นเจ็ดครับออือคือประมาณช่วงจะประมาณตั้งสองทุ่มแล้วครับคือตอนนั้นก็ทําโอ้เหมือนกันอืของวันต่อมานะฮะพี่สาวนั่งตรงข้ามกับห้องน้ํามันจะอยู่ประมาณตั้ห้องเบอร์สิบสี่ถ้าจําไม่ผิด น, นะคเขาจะเป็นน่าจะน่าจะเป็นสิบสอง คือนั่งอยู่เปิดประตูห้องไว้แล้วคือห้องมันจะตรงข้ามกับห้องน้ําพอดีครับพี่สาบอกว่าคนเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงใส่จงกระเบงสีแดงอะไรหครับรครั บ, รบฟังอยู่ฮะว่าไปเลยครับเป็กครือเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดจงกระเบงสีแดงลักษณะเหมือนคนโบราณ เขาก็ชี้หน้าใส่พี่สาวผมว่าน้องมึงโชคดีนะอที่มีคนคุน้มครองไม่งั้นตายครับแล้วพี่สาวก็เป็นหลง<ม>แล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังอืโ<ม>ด้วยความที่ผมเป็นรุ่นนะครับพี่ที่ย<ม>ี่สิบพอผมรู้เรื่องผกูกวุ่วายร่างตกระนะรถ้าคิดว่แน่จริงก็มาเจอกันโอ้นี่ท้าผีกแล้วนะผมท้าครับผมเป็น<ม>คนหนึ่งีจริงนะพี่อ๋อฮะ ผมท้าเลย ค, คือโมโหอ่ะคือถ้าคุณพูดอย่างนี้คุณต้องกะอะไรกับผมแล้วอืแล้วไม่คิดว่าไอสิ่งที่เราท้าไปเรื่อยบางทีคนที่คุ้มครองเราเขาอาจจะไม่พอใจแล้วก็ไปจากเราล่ะครับด้วยพฤติกรรมของเราอ่ะครับผมเพิ่งเปล่นครับนั่นคอือครั้งแรกผมท้าจริงจริงจอืมคือ ก, อก็ผมท้างั้นเสร็จปั๊บเขาก็ไม่มากวนคุ้มไม่มาอะไรพุ้มต้องถึงกวนแต่คนอืนะ่นหน้าขี่หูโตกน คนงานไม่ตันโดนบ้างแต ah, hum, ่ไม่ยุ่งกับผมครับไม่ยุ่งกับผมอ่ะเนี่ยผมก็พอผมเสร็งานแบบนั้นเขาไม่ยุ่งกับผมเขาไม่อะไรกับผมใช่ไหมครับอืผมก็เลยทำบุญให้เขาแล้วเขาบอกว่าอย่าถือโทษโกรธกันนะอฮผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆครับผมทําบุญให้แล้วผมก็พยายามทําบุญให้เขาเรื่อยๆนะครับเรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับเรื่องก็มีประมาณนี้เนาะ นะครับโอ้โหดูจากเราก็เป็นคนใจร้อนใช้เล่นนะเป็กนะนะเ อ, าานเออระวังน ะ, นะไอสิ่งที่อย่างที่พี่บอกไอสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยวันนึงพอเห็นพฤติกรรมเราใจร้อนมากๆก็จะไปจากเรานะ่ะปกติไม่ค่อยสนนะครับมีข้างหัวเสียสุดๆแล้วเออไม่บฟังอย่างเรานี่สองสาครั้งเลยนะวันนั้นวันเดียวนะ่ะใช่ครับส อ, องสามครั้งเลยครับ เนะพราะฉะนั้นก็ทําอะไรกต็ต้องใจเย็นด้วยแหละบางสิ่งบางอย่างจริ ง, รงๆก็ไม่ได้อาจจะเป็นขนาดนั้นหรอกเราก็อีกเรื่องเรื่องของการขับรถฟังจากเป๊กเล่าเนี่ยรอดชีวิตมาหลายครั้งจริงๆเราก็ต้องมีสติด้วยนะสุดท้ายจริงๆอ่ะพี่จะใช้คําว่าบางครั้งเรายังไม่ถึงที่ตายนะเป๊กนะคงจะต้องเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าวันหนึ่งมันถึงที่ตายต่อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมากมายขนาดไหนมันก็ไปไม่รอดนะครับ เพราะฉะนั้นต้องต้องขับรถต้องอยู่ในสติตลอดเวลายิ่งเป็นรถตักรยานยนต์ด้วยต้องมีสติมากๆใช่ครับคือวันนั้นอแต่รถตัดหน้าเลยต้องหักหลบอืมนะฮะก็เลยประสานงานพอดีครับนะฮะแต่ผมไม่กลัวนะคือไม่กลัวเลยใช่ไหมคือผมไม่กลัวตายเพราะผมคิดว่าคอเราเกิดมางไนก็ต้องตายอยู่ดีกลัวทําไมโอเคได้ใช้ชีวิตได้มาสดดีกว่าอะอืมโอเคได้ครับผมนะแล้วแต่นานาจิตตังค์ครับเป๊ก นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะใช่ครับพี่ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับเป๊กสำหนับเรื่องนี้นะนะแล้วก็อย่าลืมนะมีสติทุกครั้งนะที่เป็นห่วงจริงจังใจนะไม่ได้นี่เลยนะครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดี